บอกว่ยิงนิพพานด้วยไม่มีตาหูเลยนะโอ้ยไม่ไปแล้วทีนั้นะ <c oughs> ก็เอาตนไปอยู่เรื่อยใช่ไหมก็จะคิดเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปเสวยสิ่งนั้นอยู่ตลอดเวลาอันนี้ด้วยอำนาจของอะไรสัญญาอัตตาสัญญามันแรงมากอะนะคือต้องเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปเสวยกับทุกเรื่องนะนะมันมันมันสําคัญไหมขนาดนั้นอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะ สายใจในความเป็นทุกข์เบียดเบียนบีบคั้นเอาไว้มากๆลืมตามเมื่อไหร่ก็เนี่ยคือการสร้างตาได้ยินเสียงเมื่อไหร่ก็การสร้างหูรู้กลิ่นก็สร้างจมูกเนี่ยนะรับ ก, กระทบทางกายก็สร้างกายคิดเรื่องอะไรขึ้นมาก็เถอะหนึ่งความคิดนั่นแหละคือการสร้างใจว่างั้นเถอะเพราะนั่นเป็นต้นเหตุแห่งวตะใช่ไหมเป็นต้นเหตุแห่งวัตตะถ้าเห็นได้อย่างนั้นก็อุปมาที่พระองค์บอกว่าเหมือนบุรุษที่โยนไปในหลุมฐานเพลิงก็ ไม่ผิดอะไรว่าโอ้เป็นเช่นนั้นจริงๆเนี่ยนะถ้าน้องไปเห็นตามนั้นจริงๆคิดไหมว่าเราจะเบื่อน่ายและคลายกำหนัดเป็นแน่เป็นเนี่ยนะพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมะที่พระองค์แสดงหรือศิกขาทั้งหมดที่พระองค์แนะนําเนี่ยที่เป็นมรรคทั้งหลายเรียกว่าโอนไปสู่ที่เดียวคืออมะตะนิพานะนะเหมือนท่อนไม้ท่อนหนึ่งที่ไหลไปตามแม่น้ําสายใหญ่ซึ่งแม่น้ําสายนี้ไหลไปทางมหาสมุทร ท่อนไม้ท่อนนี้เนี่ยนะที่ไหลไปเนี่ยถ้ามันไม่ไปติดทางซ้ายไม่ไปติดขวาไม่จมลงซะก่อนไม่ผุไม่เน่าในไม่เกยบกไม่ตกลงในวังน้ําวนไป็ต้นเนี่ยยังไงก็ต้องไหลไปถึงสมุดฉันใดจิตใจของผู้ที่น้อมเจริญพิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าแนะนําก็เหมือนกันยังไงก็ต้องอยังลงสู่อมตะไหลไปสู่อมตะ เพราะว่าคําสอนที่ทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าสอนไว้คือการลาดเอียงเพื่อลงสู่ดินแดนแห่งอมตะอย่างเดียวเนี่ยนะสําคัญที่ว่าเห็นภัยในวัตะขนาดไหนวะตะเนี่ยมีภยยัยรอบด้านคำว่าภัยนะพยโตภัยคืออะไรชาติภยัยชรภาภัยพยาที่ภยัยภยั ย, ภยแปลสักแปลว่าน่ากลัวน่ากลัวเนี่ยนะความน่ากลัวของวะตะเนี่ยนะในอัธยาศัยจริ ง, รงๆเราเนี่ยมีแค่ไหน คือว่าเห็นโทษและประโลกโดยความเป็นภัยแค่ไหนเห็นกรรมทั้งหลายว่าเป็นภัยไหมเห็นปรโลกโดยความเป็นภัยไหมเห็นพบต่อไปโดยความเป็นเป็นภัยไหมหรือเราทั้งหลายกลัวจนเกินเหตุหรือเปล่าเนี่ยกลัวจนเกินเหตุหรือเปล่าชาติหน้ามันก็ยังไม่ทันได้เกิดอะไรเลยเนี่ยจะรีบมันจะรีบจเจริญรีบจะละไปทําอะไรเดี๋ยวชาติหน้าก่อนแล้วค่อยไหวอีกทีนี่รีบเร่งเกินไปหรือเปล่าเนี่ยตื่นตัวจนเกินไปมั้ง มารียพิจารณาเนี่ยตั้งแต่เขาบอกว่าเออเนี่ยเมื่อไหร่ไปศึกษาธรรมะบอกรอหนุ่มร อ, อ, อรอแก่ก่อนแลค่อยศึกษาธรรมะเขาว่างันนะโยมก็ไปชวนเพื่อนเข้ามาศึกษาธรรมะเขาบอกเขาก็รอเขาแก่ๆก่อนเขาจะมาฟังธรรมเหมือนกันเอามานึกเลยนัืงร อ, อ, อแก่ๆก่อนนะคนไหนก็มาด้ได้มาศึกษาตอนอายุมากข่าวมาปลื้มไหมเนี่ยนะดีนะเราเนี่ยเป็นคนแก่ที่มีโชคมากศึกษาธรรมะตอนแก่คิดอย่างนี้หรือเปล่า ปุการยังไม่คิดอย่างนี้เลยนะเหมือนน่าจะได้ศึกษาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วว่างั้นนะคือเขาคิดแต่แบบนี้แต่คนบางคนก็บอกว่าจะรีบศึกษาไปทิ้งไหนอย่างนั้นคืออันนี้แหละที่จะต้องรีบเร่งรีบจเจริญเหมือนกับว่าอะไรนะการถ้าเป็นโบราณนี่เขาจะชอบขุดบ่อ น, น้ําดื่มเองใช่ไหมเขาหิวก่อนนะใช่ไหมจึงคิดโครงสร้างจะคิดบ่อ น, น้ําดื่มหิวก่อนใช่ไหมค่อยลงทํานาคนนะถ้าหิวเสร็จแล้วหิวข้อนะแล้วค่อยไปหวานนะ ไม่ต้องกินนะชาตินี้เรากินชาติหน้าเถอะชั้นใดก็ดีถ้าเราเกิดก่อนแล้วค่อยมาคิดเพื่อออกจากวัฏจักนี่นะมโหสถเพราะว่ามันยากอย่าลืมต้องต้องอยากจะเน้นมากอย่างหนึ่งคือพรหมจรรย์เนี่ยมีอยู่ช่วงคราวพรหมจรรย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีอยู่ช่วยุคชั่วสมัยชั่วระยะหนึ่งเท่านั้น <S <S 1> <S 1> ของเราทั้งหลายนะถ้าใครไม่ไม่รู้สึกตื่นตนกกลัวเลยว่าพระาศาสนาอายุน้อยมากเนี่ยพวกเหล่านี้นะแสดงว่า หนักประเทวดามากเทวดาเนี่ยตอนที่พระผู้มีพระภาคดับขันไปรนนิพพานเนี่ยนะพระอุปวานะเนี่ยไปยืนบังอยู่ใช่ไหมเทวดานี่เพ่งโทษเลยว่าโอ้พระองค์เนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยชั่วกาละนะจะได้เกิดมาสักองค์หนึ่งพิกสูผู้มีศักดิ์ใหญ่มายืนบงังมองไม่เห็นเลย น, นพระอุปวานะเนี่ยเป็นพระที่ที่ตัวใหญ่หน่อยแล้วก็ยืนแทบจะบงับงเทวดามองไม่เห็น นะพระพุทธเจ้าบอกว่าอุปการะหนะลีกไปเนี่ยนะนะท่านก็หลีกไปแต่แล้วก็เทวดาจะได้มองเห็นบอกเทวดาบางพวกเนี่ยนะร้องให้กลิ้งเลยนะยร้องให้กลิ้งเราพระพุทธเจ้าที่เรามีชั่วระยะเวลานิดเดียวจริงๆนะะเทวดานี่ร้องให้กันระงมเลยนะของเราก็สังเวชไหมเวลาไปไหว้พระเจดีย์เนะี่ยนะโหผู้มีคุณอันยิ่งใหญ่เหลือแต่อัติธาตุเนาะเนี่ยนะ่นะนะ เหลือเส้นพระเกศาเท่านี้หรือเนาะเนี่ยนะขนาดผู้มีบุญปานนี้ยังเหลือเท่านี้เองแล้วเราทั้งหลายล่ะเนี่ยนะไปได้สังเวชวัตถุอะไรบ้างเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานไปทั้งสองแห่งเนี่ยมัได้อะไรบ้างได้รู้แจ้งโลกไปยังดีก็ควรที่จะมามาน้อมมามนาศิการนะถ้าไม่อยังไม่น้อมไปเพื่อจะคิดอย่างนี้นะอวิชชาเอาไปหมดเลยนะความเพลิดเพลินความเป็นไปในวัตถทุกขเป็นไปหมดเลย สรุปว่าอวิชาเนี่ยนะไม่รู้อะไรบ้างตรงนี้ของมาโนดโนดไว้สิบสามในสิบามในก็เช่นในที่หนึ่งได้สุจิริที่ไม่ควรได้สองสุจริตควรได้มันก็ไม่เอาสามทำอัดของขันไม่ให้ปรากฏสี่ไม่ให้เห็นความสืบต่อแห่งอายตนะห้าไม่ให้เห็นความว่างของาธาตุหกไม่ให้รู้ความเป็นใหญ่แห่งอินทรีย์เจ็ดไม่ให้เห็นความจริงของสัจจะ แล้วก็แปดไม่ให้อัดถะของสัจจะสี่ปรากฏเนี่ยนะอัด้องปีละณะเป็นต้นปรากฏเก้าให้เล่นไปในวตฏฐหรือเป็นมูลของวัฏฐเนี่ยนะสิบเล่นไปในบัญญัติที่ไม่มีอยู่โดยปรมาสิบเอ็ด 11. ไม่เล่นไปในบัญญัติที่มีอยู่โดยตรมัเนาสิบสองก็ปกปิดวัตถุและอารมณ์แห่งวิ ญ, ญญาณหกแล้วก็สิบสามก็ ปกปิดปัจจัยและปัจจยบันคือปกปิดปฏิจจสมุปบาทและปฏิจจส ม, มุปปนาธรรมทั้งหมดนี้เป็นลักษณะของอวิชชาพูดอย่างนี้เห็นโทษอวิชชาบ้างนี่ก็ได้บุญแล้วส่วนธรรมชาติใด ย, ย่อมปรุงแต่งสังคตธรรมฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าสังขารคําว่าปรุงแต่งในที่นี้ก็คือปรุงแต่งอะไรรู้ไหมปรุงแต่งภพสาม ปรุงแต่งสังคตะในที่นี้หมายถึงปรุงแต่งพบสามปรุงแต่งกามมาพบปรุงแต่งรูปประพบปรุงแต่งอารมประพบของเรานี่ปรุงแต่งกี่พบพบเดียวนะกามมาพบเนะ า, กาะกรมกรมสุขติหรือกรรมอบายตอนในสุขติเนี่ยนะก็กรมมาพบแบ่งเป็นสองสุขติกับทุกตินะก็ให้ปรุงแต่งกรรมที่เป็นสุขติพราะนั้นสังขานี่ธรรมชาติที่ปรุงแต่ง สังคตะธรรมสังคตะธรรมในที่นี้ก็คือพบสามนั่นแหละส่วนธรรมชาติใดรู้อารมณ์ต่างๆได้ฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าเวิญญาณทวนนิดหนึ่งว่าสังขารนี้ได้แก่เจตนายี่สิบเก้านะเจตนายีิบเก้ากุศลเจตนาอ่าไม่ใช่อกุศลเจตนาสิบสองมหากุศลเจตนาแปดมหากตะกุศลเจตนาอีกเก้ารวมเจตนายี่บเก้าเรียกว่าสังขาร ส่วนวิญญาณก็คือรู้แจ้งอารมณ์ต่างๆรู้แจ้งตารู้แจ้งสีรู้แจ้งเสียงกลิ่นรสโภตาภะและธรรมอารมณ์เนี่ยนะก็รู้แจ้งอารมณ์ต่างๆส่วนนามนามก็ย่อมรู้อารมณ์เนี่ยนะนามคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์คือน้อมไปรู้อารมณ์ส่วนรูปรูปนะแตกสลาย รูปแตะสลายรูปตัวนี้หมายถึงภูจะรูปและอุปาทายรูปภูจะรูปและอุปาทายรูปตรงนี้อย่าลืมนะว่าเน้นที่กรรมเป็นสมุธฐานคันรูปทั้งหลายที่มีกรรมเป็นสมุธฐานนั้สลายหมดอะอะไรที่ทำให้รูปที่มีกรรมเป็นสมุธฐานสลายวิโรธที่ปัจจัยวิโรธที่ปัจจัยมีอะไรร้อนเกินไปกว่าตายหนาวเกินไปกว่าตายหิวเกินไปกว่าตายอะไรอีก อุบัติเหตุก็ตายอย่างเงี้ยนะก็เหตุแห่งความตายนะเขาบอกว่าเหตุแห่งความเป็นอยู่มีส่วนเดียวเหตุแห่งความตายมีร้อยส่วนก็บอกว่าใครที่ศึกษาเรื่องสรีระมามากเนี่ยน ะ, ะมันอยู่ได้ยังไงมนุษย์เนี่ยนะน่าตายมากเลยนะไม่รู้อยู่ได้ยังไงไม่รู้ว่าเหตุแห่งความตายมีเยอะจริงๆนะยเหตุแห่งความเป็นอยู่เนี่ยนึกไม่ค่อยออกแล้วมันจะมีชีวิตยอยู่ต่อไปได้ยังไงอาหารที่เรารับประทานแน่ใจหรือว่ามันจะให้ให้ให้ชีวิตอย่างเดียว อ่าที่เราบริโภคเข้าไปใช่ไหมไม่รู้ไปไปแสลงผิดโรคตัวไหนบ้างก็ไม่รู้ไม่รู้อยู่ได้ยังไงจริงๆนะน่าคิดมากนะแต่ถ้าตายนี่จะไม่แปลกใจเลยนะปกติจริงๆแต่มีชีวิตอยู่เนี่ยพระองค์ยังบอกว่าเป็นของยากเลยนะมีชีวิตอยู่เนี่ยยากบางคนก็บอกว่าเออเนี่ยก็เห็นเขาอยู่กันเยอยยยะแยะตหอดทําไมไม่เห็นยากอะไรอันั่นคนอื่นแต่เราเนี่ยเนี่ยชีวเป็นเหตุปัจจัยที่จะให้เรามีชีวิตอยู่เนี่ยง่ายหรือยาก คนอื่นที่เขาอยู่ได้เนื่องจากเขามีบุญเนี่ยนะแล้วเราล่ะเราแน่ใจเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองว่าบุญของเราอีกนอนเนี่ยนะขอธรรมานี้เอาอะไรมารับรองว่าอายุจะเท่าพุกามยากเหมือนนอะไม่แน่ใจเลยอ่ะพูด อ, อายุเท่าพุกามนี่ก็ถือว่ายืนมากแล้วเนะหนักัวไม่ถึงกันดพ <c oughs> ันรูปนี่ธรรมชาติที่สลายไปนะเราต้องค่อยๆไล่อย่างงี้นะ เราคิดหรือว่าตาของเราจะใช้งานอีกสามสี่สิบปีข้างหน้าแน่ ใ, นใจขนาดนั้นหรือว่าตาของเรามันดีขนาดนั้นนะใช้งานอีกเป็นสิบสิบปีแน่ใจนะว่าหูของเราฟังได้อีกนอนแน่ ใ, นใจนะว่าจมูกของเราเนี่ยรู้กลิ่นได้อีกต่อไปรู้หรือลิ้นของเราดีตลอดไปรู้หรือแขนขวาของเราเนี่ยจะมีกําลังวังชาอย่างนี้ตลอดไปรู้หรือว่าขาของเราจะก้าวได้เดินต่อไปเพราะคนเป็นอมตพฤกเป็นอมภ่าเป็นต้นเนี่ยนะก็มีให้เห็นเยอะแยะ รู้หรือมั่นใจหรือว่ากระดูกของเรานี้จะไม่เบ่ะไม่เปราะไม่บางไม่หักเป็นต้นเนี่ยเอาอะไรเป็นรับรองคิดหรือว่าไตคู่นั้นมันจะใช้งานได้อีกตลอดไปคิดหรือหัวใจก้อนนั้นเนี่ยมันจะปั๊มได้อีกสี่ห้าสิบปีเนี่ยนะมันจะไปปั๊มเนี่ยโอ้มันโ้มันปั๊มแรงนหัวใจเนี่ยแต่ละวันมันบีบตัวใช่ไหมเหมือนกันเนี่ยกดบีบบีบกดอย่างเงี้ยก็ขยันนะมทางานทั้งวันทั้งคืนไม่มีพักเลยนะลองพักสักห้านาทีดูสินะยุ่งเลย เอาะไรมรั่นใจว่าตับของเราเนี่จะใช้งานอีกนานเอาอะไรมามั่นใจว่าปอดของเราเนี่ยมันจะดีอีกนานเพราะแต่ละอย่างนี่สามารถเป็นเหตุแห่งความตายได้หมดเลยหรือแน่ใจว่าเขาจะทําอาหารให้เรากินได้จนอีกนานอย่างเง้ยนะเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองแน่ใจหรือว่าจะมีน้ําดื่มตลอดไปเนี่ยนะแน่ใจหรือว่าจะอากาศอุณหภูมิมันจะดีอย่างนี้ตลอดไปเ น, นี่ยนะแน่ใจว่าขนาดไหนว่าจะเขาไม่เอาปรมาณูมาลงให้เราบริโภคนะเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองนแต่ละอย่างแต่ละอย่าง แม้แต่ยานพาหนะที่เราใช้สอยเนี่ยเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองว่าจะอยู่ถึงพาหนะนั้นจะนําไปถึงจุดหมายที่เราต้องการเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองได้สักอย่างหนึ่งไหมถ้าทุกคนเขาก็รีบเหมือนเราเลยนะเราเหยียบเป็นร้อยคนอื่นเ้าก็เหยียบเป็นร้อยอยังไง น, นนะถ้าประสานกันอะไรเกิดขึ้นประสานกันก็น้ําหนักการชนเท่ากับสองร้อยนั่นนะแล้วก็เกิดใหมได้หมดอ่ะเชื่อมันก็ธรรมชาติของรูปเขาก็แปลว่าสลายแปลว่าใครที่เกิดมาแล้วจะไม่ตาย ไม่มีท่านวิเคราะห์คำว่ารูปนี้ตรงสภาวะมากเลยนะรูปแปล ว, ว่าตายแน่ตายแน่มันมีรูปอ่ะนะส่วนธรรมชาติใดย่อมแผลไปในจิตเจตสิกอันเป็นที่เกิดหมายถึงว่ามันเป็นที่เกิดแห่งจิตเจตสิกหรือตัวที่นําไปสู่สังสารทุกข์อันยืดเยื้อต่อไปฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าตาก็ดังที่กล่าวนะั้นลืมตาเพื่อสร้างตาใช่ไหมฟังเสียงเพื่อ สร้างหูรู้กลี่นเพื่อสร้างจมูกรู้รสเพื่อสร้างลิน้นรู้ผลิภัพฑ์เพื่อสร้างกายคิดเพื่อสร้างใจเนี่ยนะมันเรียกว่านําไปสู่สังสาระทุกขอันยืดเยื้อะโอ้นี่เยอจริงๆเลยเนะียเมื่อเช้าว่างไงนะี่ยทำที่ขยายวตาให้ยาวมันขยายจริงๆเลยนะมันทั้งตันหาเพราะลืมตาปั๊บตันหาวิชากรรมก็เกิดละมันก็ทํากิตเพื่อเยอสังสาระอย่างเดียวเลยนะแต่ผู้มีบุญทั้งหลายเขาถือว่าออปุวตาเนี่มันเย็น ผู้มีบาปทั้งหลายก็มัวแต่แก้บาปที่รับก็เลยไม่มีเวลาปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ใช่ไหมคือคนที่เดือดร้อนเรื่องเรื่องเรื่องมหาพูดทั้งหลายเนี่ยเขามัวแต่คิดแก้ปัญหาเรื่องมหาพูดก็เลยแก้ปัญหาแบบแบบให้อยู่กับมหาพูดสบายๆเนี่ยนะก็เลยไม่ได้ประพฤติพรหมจาร์เพื่ อ, อออกจากมหาพูดผู้ที่ได้รับความสุขเต็มที่ก็เพลินซะอีกเนี่ยนะก็เลยวตาก็เลยอยู่ได้นานกันมาก ตอนอยู่ในอบายทุกขนาดนั้นก็ไม่มีปัญญาอีกนะก็อย่างที่กล่าวว่าเนี่ยนะถ้าศึกษาธรรมะตั้งแต่อายุไม่มากนะทรงจำไว้ได้นี่นะถ้าไปตึกตลอดนี่คงจะได้ดีอันนั้นคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วแสดงว่าไม่ได้อย่างนั้นหรอกส่วนภาษานะธรรมชาติที่ถูกต้องกระทบนะถูกต้องภาษาธรรมชาติที่ถูกต้องกระทบถ้า อุปมาที่พระองค์อุปมาในปุตตสูตรนี่ก็ชาติเดียวนะแมคโครหนังปอกใช่ไหมแมคโครนังปอกถ้าอยู่ในน้ําสัตว์น้ําก็กัดถ้าอยู่ใต้ร่มไม้แมลงที่อยู่ในร่มก็กัดอยู่กลางแจ้งแมลงก็กัดอยู่ในปา่าสัตว์ป่าก็กัดอยู่ตรงไหนก็นไม่พ้นใช่ไหมใครปิดทวารหกไม่ให้รับประทบผัสสะเนี่ยใครทําได้บ้างเว้นไว้แต่เข้านิโรธสมาบัติเห็นยนะ ถ้าธรรมดายาบมันต้องผัสสะไม่ทวารใดก็ทวารหนึ่งเว้นไว้แต่อย่างหนึ่งก็คือดับสลายตนะหนักนะคำว่าดับสลายตระนัได้จึงจะดับผัสสะถ้าดับสลายตระนัไม่ได้ผัสสะนี้ไม่ใช่ฐานะเลยนะเพราะผัสสะเกิดร่วมกับจิตทุกดวงส่วนเวทนาธรรมชาติที่เสวยอารมณ์สเสวยอารมณ์เนี่ยหมายถึงสเสวยอารมณ์แห่งสีสเสวยอารมณ์แห่ง เสียงเสวยอารมณ์แห่งเกลิ่นเสวยอารมณ์แห่งรสเสวยอารมณ์แห่งโภตภะและก็เสวยอารมณ์แห่งธรรมอารมณ์ถ้าเสวยถ้าเจอรูปารมณ์ที่ดีสุขรูปารมณ์ที่ไม่ดีทุก์รูปารมณ์ปานกลางเบขามันก็เสวยรสแห่งรูปารมณ์ถ้าวันไหนที่เราโศมนัตวันนั้นรับอิทธารมณ์มากวันไหนโทมนัตแสดงว่าคิดมณติการอนิจฐารมณ์มาก วันไหนเฉยๆแสดงว่ามนสิการมัชจตารมเนี่ยนะหรือถ้าว่าเป็นขณะข น, นะสมมติทำไมเรานั่งเฉยๆวันนี้แสดงว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมัชจตารมอ่านะวิธีคิดง่ายๆเลยนะแล้วถ้าจะดูนะตอนนี้เราดีใจอยิ้มแป้เลยนะแสดงว่าสิ่งนั้นอ่ะมันอิทธารมสําหรับเราตอนนี้ทําไมไม่ค่อยสนุกเลยเครียดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะแสดงว่าเรื่องที่เราคิดส่วนใหญ่เป็นอนิถารมถ้าอนิถารมถ้าสลับกับอุเบขาใช่ไหม สมอิทธารมก็สลับกับอุเบกขาแต่สุขกระทุกขสลับกันนี่ก็มีบ้างแต่ครั้งคราวเนี่ยนะเสร็จแล้วหัวเราะเสร็จแล้วก็ร้องไห้เลยใช่ไหมแบบกาลเทวินดาวบทไหมหัวเราะเสร็จหัวเราะอะไรเพราะพระโพธิสัตว์ยังไงก็ต้องเป็นพระพุทธเจ้าดีใจด้วยร้องไห้เพราะตัวเองจะตายก่อนไม่ได้ฟังธรรมแน่เห็นไหมต่อีกเจ้าหนึ่งถ้าอย่างชอบแพะตัวหนึ่งไงแพะคนหนึ่งเอ่อแพะตัวหนึ่งเนี่ยพรามก็จะเอามาบูชายัญ แพ้มันหัวเราะก่อนแล้วแพ้มันก็ร้องไห้พราหมอกทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะทำไมแกหัวร้องไห้เสร็จเออแกหัวเราะเสร็จก็ร้องไห้ไอ้ที่หัวเราะนี่หมายความว่าครั้งนี้ครั้งสุดท้ายเนี่นะเพราะผ่านมาแล้วกี่ครั้ง499ครั้งเนี่ยหัวเราะใหญ่เลยเนี่ยครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วต่อไปไม่ได้ถูกฆ่าแบบนี้แล้วแล้วก็ร้องไห้บอกทำไมร้องไห้ก็บอกสงสารเจ้านั่นแหะสงสารพราหมที่แกมาฆ่าเพราะแกจะได้เดินรอยตามชั้นแกก็ฉันก็เลยร้องไห้สงสารแก ถาม่็บอกเออเนี่ยฉันจะไม่ฆ่าเจ้าแล้วนะเจ้าเพะก็บอกถึงท่านใน่ฆ่าข้าพระเจ้าก็ตายวันนี้คือยังไงข้าพระเจ้าก็ตายเ้าก็เลยสั่งลูกศิษย์มานบให้ไปดูแลให้ดีหน่อยนะลูกศิษย์มานบก็ดูแลอย่างดีพอดีฟ้าผ่าถูกก้อนหินก้อนหินมันก็กระเด็นสะเก็ดมาถูกแพะตายพอดีเลยนะครบพอดีครั้งที่ห้าร้อยตอนนี้นก็บอกโอ้กรรมนี่มันเอาขนาดนี้เลยนะอย่างพระโมคคานณะเนี่ยในที่ทุบพ่อแม่ชาติที่แล้วอดีตเนาะนะ ก็มาถูกทุบมาร้อยครั้งเนี่ยถ้าท่านไม่ปรินิพพานก่อนนะจะถูกทุบอีกกี่ครั้งต่อไปเนี่ยนะถ้าเกิดเป็นปลาก็ถูกทุบใช่ไหมปลาบางตัวเขาก็ใช้วิธีทุบเอาเนี่ยนะวิธีฆ่านะนะหรือก็ถ้าตามบ้านนอกเขาฆ่าคอเนี่ยเข า, เเขาทุบจริงๆนีใช้<ท>ด้ามจอบเนี่ยแหละหวดที่ดั่งจมูกนะเป่าโอกเป่าโอ้กเป่กเลยนะโอ้โหฆ่าเขาเขาขนาดนั้นนะถ้าเป็นหมูก็เชือดคอเนี่ยนะจิ้มก็ไปที่คอ ก็สังเกตดูง่ายๆว่าเมื่อมนสิการอารมณ์เนี่ยนะมันเป็นที่ตั้งแห่งสุขทุกข์และอุเบกขาเนี่ยนะดีใจก็สังเกตดูว่าอารมณ์ที่มนัสิการถึงมันเป็นอะไรถ้าเสียใจหรือไม่สบายใจเนี่ยอารมณ์ที่ดูจากอารมณ์นี่ดูเวทนาได้เลยว่าเวทนาเป็นอย่างไรเลยนะถ้ารู้เวทนาและสัญญาไม่น่าจะยากใช่ไหมถ้ารู้สัญเวทนาสัญญานะที่มาของปัญหาไม่ยากถ้าทุกขเวทนาเกิดขึ้นเราแก้ยังไง ส่วนใหญ่นะี่ยแก้ปัญหาตามอำนาจตัตนหาเกือบทั้งหมดเลยนะส่วนใหญ่เลยเนะ่แก้ปัญหาตามอำนาจตันหาถ้าเจออิทธารมตันหามันบอกว่าอย่างไง อ, อ, อืดีนะอได้อย่างนี้อีกดีก็ดีเนี่ยนะตันหามันก็บอกต่อเลยถ้าเจออันนทารมบอกตันหาไม่เอาไม่เอ้าอย่างเงี้ยจะเอาอันใหม่เอาอันใหม่อย่างเงี้ยนะตันหามันก็บอกมัชตารมบอกอันนี้ไม่ค่อยดีนะมันต้องดีกว่านี้มันต้องดีกว่านี้อย่างเงี้ยนะทั้นตันหาสอนหมดเลยนะถ้าได้เวทนาอันใดก็ตามเนี่ย อยางยกตัวอย่างว่าเราฟังเสียงเนี่ยนะตัณหามันจะเริ่มบอกเลยเอางั้นสิอะอย่างงี้สิเนี่ยนะถ้ารู้กลิ่นก็เหมือนกันนะกลิ่นแบบนี้ขึ้นมานะตัณหามันบอกว่าเออเนี่นะมันต้องอย่างงี้นะมันจริงกับพอดีมันกระซิบมันเสี่ยมมันสอนมันแนะนําบอกกล่าวเราเชื่อฟังด้วยนะว่าง่ายมากก็เลยเรียกว่าธรรมชาติที่อยากในอารมณ์ชื่อว่าตัณหาส่วนอุปาทานก็คือธรรมชาติที่ไปยึดอารมณ์ยึดไว้อย่างมั่นคง ไม่ปล่อยง่ายๆนะเช่นความยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยถึงฝังธรรมเราก็ไมไ่ละได้ใช่ไหมให้ความยึดนี่มันแรงมากเลยนะยยึดเช่นอ่าที่ถูปาทานอัตวาทูปาทานเป็นต้นอย่างศีละพัตุปาทานเนี่ยถ้าใครถือข้อปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยให้เขาเปลี่ยนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะโอ้ยยิ่งใหญ่มากเลยศีละพัตุปาทานก็ยากอัตวาทูปาทานก็ยากกาโมปาทานนี่ก็รู้ว่าสิ่งนั้นมันมีโทษ รู้ว่าอาหารทั้งหลายเนี่มันปฏิกุณก็รู้ๆอยู่ใช่ไหมถามว่าอาหารอร่อยไหมน่าเพลิดเพลินไหมอันนึ่งก็อย่างว่านะกามูปลาคานนี่มันแรงจริงๆติดแรงมากยึดจริงๆยึดไว้ยอย่างมั่นคงด้วยนะห้ามมาเปลี่ยนของชั้นเด็ดขาดส่วนพบก็คือพบเนี่ยธรรมชาติที่ย่อมเกิดหรือย่อมเกิดนี่หมายถึงอุปัทิภพบนะถ้ากรรมมพบก็ธรรมชาติที่นําเกิดกรรมมพบก็คือตัวที่นําเกิด ถ้าอุปติภพก็คือธรรมชาติที่เกิดส่วนชาติคือการเกิดครั้งแรกในภพนั้นนั้นชาราก็คือก็เนี่ยที่เห็นเนี้ยนี่แหละสัตว์ทั้งหลายย่อมตายด้วยธรรมชาตินั้นอีกฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่ามรณนะเนี่ยนะมรณะก็ธรรมชาติที่พาให้สัตว์ตายชีวิตดินซีนี้แตกทําลายชื่อว่ามรณนะอธิบายเป็นอุปติภพไม่ได้อธิบายเป็น กรรมาพบคือตรงนี้ท่านอธิบายไว้เป็นแบบชนิดย่อๆย่อๆเฉยๆเนะ